ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอยู่อย่างไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่อย่างอิสระอยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติหรืออยู่อย่างไม่มีทุกข์การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาหมายถึงการอยู่อย่างรู้เท่าทันสภาวะและรู้จักถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติการถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้ เป็นอย่างเดียวกับการอยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติก า, ารอยู่ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นการอยู่อย่างอิสระการอยู่อย่างเป็นอิสระก็คือการไม่ต้องตกอยู่ในอำนาจของตันหาอุปาทาหรือการอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นการอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาหรือการรู้ และเข้าเกี่ยวข้องจัด ก, การกับสิ่งทั้งหลายตามวิถีทางแห่งเหตุปัจจัยมีข้อควรย้ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอีกเล็กน้อยตามหลักพุทธธรรมย่อมไม่มีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือนอกเหนือธรรมชาติในแง่ที่ว่ามีอิทธิฤทธิ์บันดาลความเป็นไปในธรรมชาติได้หรือแม้ในแง่ที่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใดกับความเป็นไปในธรรมชาติ สิ่งใดอยู่นอกเหนือธรรมชาติสิ่งนั้นย่อมไม่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติคือย่อมพ้นจากธรรมชาติสิ้นเชิงสิ่งใดเกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งนั้นไม่อยู่นอกเหนือธรรมชาติแต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติอันหนึ่งกระบวนการความเป็นไปทั้งปวงในธรรมชาติย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีความเป็นไปลยลอย และไม่มีการบันดาลให้เกิดขึ้นได้โดยปราศจากเหตุปัจจัยความเป็นไปที่ประหลาดน่าเหลือเชื่อดูเป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรืออัศจรรย์ใดๆก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้นแต่ในกรณีที่เหตุปัจจัยในเรื่องนั้นสลับซับซ้อนและยังไม่ถูกรู้เท่าทันเรื่องนั้นก็กลายเป็นเรื่องประหลาดอัศจรรย์ แต่ความประหลาดอัศจรนย์จะหมดไปทันทีเมื่อเหตุปัจจัยต่างๆในเรื่องนั้นผูกรู้เท่าทันหมดสิน้นดังนั้นคำว่าสิ่งเหนือหรือนอกเหนือธรรมชาติตามที่กล่าวมาแล้วจึงเป็นเพียงสำนวนภาษาเท่านั้นไม่มีอยู่จริงในเรื่องมนุษย์กับธรรมชาติก็เช่นกันการที่แยกออกมาเป็นคาต่างหา ก, กันว่ามนุษย์กับธรรมชาติก็ดีมนุษย์ สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได้ก็ดีเป็นเพียงสัมนวนภาษาแต่ตามเป็นจริงแล้วมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในธรรมชาติที่พูดกันว่ามนุษย์ควบคุมบังคับธรรมชาติได้ก็เป็นเพียงการที่มนุษย์ร่วมเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งและผลักดันปัจจัยอื่นๆในธรรมชาติให้ต่อเนื่องสืบทอดกันไปจนบังเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นเป็นแต่ในกรณีของมนุษย์นี้ มีปัจจัยฝ่ายจิตอันประกอบด้วยเจตนาเข้าร่วมในกระบวนการด้วยจึงมีการกระทําและผลการกระทําอย่างที่เรียกว่าสร้างสรรค์ขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยล้วนๆทั้งสิน้นมนุษย์ไม่สามารถสร้างในความหมายที่ว่าให้มีให้เป็นขึ้นเลอยๆโดยปราศจากการเป็นเหตุปัจจัยกันตามวิธีทางของมันที่ว่ามนุษย์บังคับควบคุมธรรมชาติได้ ก็คือการที่มนุษย์รู้เหตุปัจจัยต่างๆที่จะเป็นกระบวนการให้เกิดผลที่ต้องการแล้วจึงเข้าร่วมเป็นปัจจัยผลักดันปัจจัยต่างๆเหล่านั้นให้ต่อเนื่องสืบทอดกันจนเกิดผลที่ต้องการขั้นตอนในเรื่องนี้มีสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือรู้จากนั้นจึงมีอย่างหรือขั้นที่สองคือเป็นปัจจัยให้แก่ปัจจัยอื่นๆต่ออกันไปในสองอย่างนี้ อย่างที่สำคัญและจำเป็นก่อนคือต้องรู้ซึ่งหมายถึงปัญญาเมื่อรู้หรือมีปัญญาแล้วก็เข้าร่วมในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างที่เรียกว่าจัดการให้เป็นไปตามประสงค์ได้การเกี่ยวข้องจัดการกับสิ่งทั้งหลายด้วยความรู้หรือปัญญาเท่านั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้หรือจะเรียกตามจานวนภาษาก็ว่า สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได้ในเรื่องนี้มีหลักการอย่างเดียวกันทั้งในกระบวนการฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมหรือทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุฉะนั้นที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้เป็นอย่างเดียวกับการอยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติจึงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงของการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันตามกฎธรรมดานี้เอง จะพูดเป็นสำนวนภาษาว่าสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติฝ่ายนามธรรมได้ควบคุมจิตใจของตนได้ควบคุมตนเองได้ก็ถูกต้องทั้งสิ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งทั้งในฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมที่จะช่วยให้มนุษย์ถือเอาประโยชน์ได้ทั้งจากกระบวนการฝ่ายจิตและกระบวนการฝ่ายวัตถุ ชีวิตแห่งปัญญาจึงมองลักษณะได้สองด้านคือด้านภายในมีลักษณะสงบเยือกเย็นปลอดโปร่งผ่องใสด้วยความรู้เท่าทันเป็นอิสระเมื่อสวยสุขก็ไม่หลงระเริงหรือสยบมัวเมาและไม่เหลิงและเริงลืมตัวเมื่อขาดพลาดหรือพลากจากเหยื่อล่อสิ่งปนปลือต่างๆ ก็มั่นคงปลอดโปร่งอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไม่หดหูซึมเศร้าสิ้นหวังหมดอาัลตายยากไม่ปล่อยตัวฝากสุขทุกของตนไว้ในกำมือของอามิกภายนอกที่จะตัดสินให้เป็นไปด้านภายนอกมีลักษณะคล่องตัวว่องไวพร้อมอยู่เสมอที่จะเข้าเกี่ยวข้องและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่มันควรจะเป็นโดยเหตุผลบริสุทธ ไม่มีเงื่อนปมหรือความยึดติดภายในที่จะมาเป็นนิวรนเข้าขัดขวางกั้นบังทวงทำให้เขวลําเอียงหรือทำให้พระมัว